15. วิถีทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เห็นแจ้งชัดเช่นนี้มีความปรารถนาซึ่งอนุตตรสะสมโพธิญาณด้วยความแน่วแน่พวกเขาได้สืบต่อระหว่างชีวิตชาติหนึ่งหนึ่งไปจนกระทั่งบรร ล, ลุหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ ก็ด้วยมหาเมตตาจิตของพวกเขาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะการสะสมบารมีของโพธิสัตว์ได้ถูกสอนไว้ในทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งโดยพระตถาคตเจ้าบุคคลผู้ที่สับสนเกี่ยวกับมรรคผลอันสมบูรณ์แบบในทางนี้มักจะเย้ยหยันด้วยความขัดแย้งของตนเอง ทั้งความไม่เข้าใจชัดถึงคุณค่าแห่งความดีงามของการเสียสละให้ผู้อื่นและความบกพร่องของการที่มุ่งสนใจเพียงแต่เพื่อตนเองหรือเข้าใจผิดว่าคุณค่าความดีงามนั้นเป็นความบกพร่องหรือด้วยความดูถูกเยียดยามคุณความดีงามนั้นพวกเขาจึงยืดหยันทางดำเนินนี้ ผู้ที่เย้ยหยันทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งทั้งๆ ท, ที่ตนก็รู้ดีว่าการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งไม่ดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นความดีงามย่อมถือว่าเป็นผู้ดูถูกเหยียดหยามความดีงามเสียเองบุคคลผู้ที่ดูถูกเหยียดหยามทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งอันเป็นแหล่งแห่งความดีงามทั้งปวงที่จะนามนุษย์ไปสู่ความสุข อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพียงผู้อื่นโดยไม่ใช่เพื่อตนเองเลยผู้ทำเช่นนั้นย่อมแผดเผาตนเองด้วยไฟพวกหนึ่งคือผู้ที่มีศรัทธาแต่มีความเห็นผิดอีกพวกหนึ่งคือผู้ที่โกรธและเกลียดชังจึงดูถูกเหยียดหยามแม้พวกที่มีศรัทธายังถูกแผดเผา แล้วพวกที่หันหลังให้ด้วยการดูถูกเยียดยามเล่าจะเป็นเช่นไรเหมือนกับที่อธิบายไว้ในวิธีการรักษาโรคว่าพิษสามารถรักษาได้โดยอาศัยพิษแล้วมันจะมีข้อโต้แย้งอันใดไหมในการที่จะกล่าวว่าความเจ็บปวดทรมานก็สามารถรักษาได้โดยอาศัยความทุกข์ทรมานเป็นที่รู้กันดีว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งดังนั้นทำไมความทุกข์ทรมานจะไม่มีประโยชน์หรือสำหรับคู่ที่ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงจูงใจให้เมตตาทำประโยชน์แก่ผู้อื่นหากแม้ว่าความเจ็บปวดทรมานสามารถนาให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต มันมีความจำเป็นอันใดในการที่จะกล่าวว่าเพื่อประโยชน์แห่งความสุขของตนเองและของผู้อื่นอันเป็นการปฏิบัติเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบเก่าหากด้วยการละความพอใจเล็กๆจะมีผลให้เกิดความสุขมากในภายหลังการที่จะได้ประสบซึ่งความสุขอันมากกว่าที่แน่ๆก็ต้องละความพอใจเล็กๆนี่ละ หากสิ่งเช่นนี้ไม่สามารถเป็นเหตุให้เกิดได้ก็คงไม่มีแพทย์ที่คอยให้ยาขมดังนั้นมันจึงไม่ควรถูกละเลยบางครั้งสิ่งที่คิดว่าเป็นอันตรายอาจถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยคนฉลาดกฎระเบียบทั่วไปพร้อมข้อยกเว้นก็มักจะมีกล่าวอยู่ในที่ทุกแห่งผู้ที่รู้มาก มักจะดูถูกสิ่งซึ่งสอนไว้ในทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการกระทาด้วยแรงจูงใจจากเมตตาจิตและปัญญาอันบริสุทธิ์บุคคลผู้เป็นปฏิปักษ์ที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนไม่สามารถจะเข้าใจได้ถึงความกว้างขวางและลึกซึ้งของคำสอนก็ได้แต่เฝ้าเย้ยหยันทางดำเนินนี้เพราะความสับสนของตนเอง แกนแท้ของทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งนั้นประกอบด้วยทานศีลขันติวิริยะสมาธิปัญญาและเมตตาจิตแล้วเช่นนี้มันจะกล่าวถึงสิ่งไม่ดีที่ตรงไหนประโยชน์ท่านคือทานและศีลประโยชน์ตนคือขันติและวิริยะสมาธิและปัญญาเป็นเหตุแห่งความหลุดพ้น นี่คือบทสรุปแห่งความหมายของทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งจุดหมายในการดำเนินเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านและความหมายแห่งการหลุดพ้นที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ก็ล้วนมีอยู่ครบในบา ร, รมีทั้งหกดังนั้นนี่ก็คือคำสอนของพระพุทธองค์เช่นกันผู้ตาบอดที่โง่เขลา ย่อมไม่สามารถทนรับฟังคำสอนแห่งทางดำเนินนี้ได้ในขณะที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงทางอันยิ่งใหญ่สู่ความหลุดพ้นนั้นประกอบไปด้วยบุญบา ร, รมีและปัญญาผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ย่อมเป็นผู้ที่เพียรพร้อมด้วยความสามารถอันเลิศที่หาประมาณมิได้เพราะความสามารถอันเลิศนั้น มากมายอย่างประมาณไม่ได้เชกเช่นท้องฟ้าดังนั้นจงยินยอมให้ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่งพุท ธ, ธะถูกสาธยายสั่งสอนไว้ในคำสอนแห่งทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งเถองแม่สิ่งที่กล่าวไว้นี้ก็ยังเกินขอบเขตความเข้าใจแห่งพระสารีบุตรแล้วทำไมธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อันหาประมาณไม่ได้แห่งพุท ธ, ธะนี้ จึงไม่ถูกยอมรับเล่าการปราศจากการเกิดที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สอนในทางดำเนินนี้และการดับไปของสิ่งต่างๆโดยสัจธรรมแล้วก็เป็นดังเช่นความว่างโดยสัจธรรมแล้วการเกิดและการดับล้วนไม่ได้เป็นสิ่งมีอยู่จริงแท้ดังนั้นจึงควรปล่อยให้มันถูกยอมรับ หากความว่างและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่งพุท ธ, ธะได้ถูกแสดงในมุมมองเช่นนี้ด้วยเหตุและผลแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คำสอนในทางดำเนินนี้และในยานอื่นจะเท่าเทียมกันสำหรับผู้ฉลาดตรัสเปลืองสิ่งที่พระตถาคตทรงสอนด้วยความตั้งใจพิเศษย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้ง่งายๆดังนั้น เพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านได้สอนไว้เช่นเดียวกับยานทั้งสามเธอจึงควรทำใจให้เป็นกลางไว้มันจะไม่มีข้อผิดพลาดเมื่อใจเป็นกลางแต่มันจะผิดพลาดหากดูถูกเย้ยหยันซึ่งมันจะเป็นกุศลได้อย่างไรดังนั้นผู้ที่สแสวงหาความดีงามแก่ตนเองจึงมิควรดูหมิ่นทางดําเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่ง ปฏิญาณวิถีการดำเนินและการอุทิศตนของพระโพธิสัตว์มิได้มีกล่าวไว้ในวิถีแห่งสาวกยานดังนั้นบุคคลจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้อย่างไรด้วยยานนี้ในสาวกยานพระพุทธองค์มิได้ทรงอธิบายถึงพื้นฐานของการรู้แจ้งแบบโพธิสัตว์อะไรที่มีความสำคัญยิ่งในเรื่องนี้ที่นอกเหนือจากความเป็นผู้หลุดพ้นเล่า ค้นแห่งพุทธภาวะจะเป็นสิ่งเลิศดได้อย่างไรในทางดำเนินธรรมดาธรรมดาอย่างสาวกภูมิซึ่งมีพื้นฐานเพียงอริยสัจสี่และความสอดคล้องกับความรู้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีแห่งพระโพธิสัตว์มิได้มีกล่าวไว้เลยในพระสูตรของสาวกยานแต่กลับกล่าวไว้ในพระสูตรของมหายานดังนั้นผู้ฉลาดจึงควรยอมรับ คล้ายกับครูสอนวยากรณ์ย่อมเริ่มให้นักเรียนท่องพยัญชนะก่อนพระพุทธองค์ก็ทรงสอนผู้ปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาสามารถจะรับได้สำหรับบางคนท่านสอนให้ละชั่วบางคนก็ทรงสอนให้เริ่มทำดีเลยบางคนก็เป็นคำสอนเรื่องความเป็นคู่สำหรับบางคนท่านทรงสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับความไม่เป็นคู่ แต่สำหรับบางคนก็ทรงสอนในเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งและน่าหวาดหวั่นสะพรึงกลัวในเรื่องของความว่างและมหาเมตตาจิตและเครื่องมือในการบรรลุสู่อนุตตรสัมโพธิญาณดังนั้นผู้ฉลาดจึงควรกำจัดความรู้สึกต่อต้านวิถีแห่งมหายานหรือทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่งและหล่อลลอมศรัทธาอันพิเศษ ที่จะดำเนินไปให้ถึงซึ่งอนุตตระสัมโพธิญาณด้วยศรัทธาในทางดําเนินนี้และด้วยการปฏิบัติตามคําสอนเธอย่อมบรรลุถึงซึ่งอนุตตระสัมโพธิญาณได้ในที่สุดและจะมีความสุขสงบไปตลอดการดําเนินและเมื่อถึงเวลานั้นเธอย่อมมีความมั่นคงจากภายในต่อการปฏิบัติเรื่องทาน ศและขันติซึ่งเป็นสิ่งที่สอนไว้พิเศษสำหรับคารวาสผู้ครองเรือนโดยมีสาระแก่นสารจากเมตตาจิตอย่างไรก็ตามเนื่องจากความวุ่นวายของโลกอันเป็นการยากที่จะดำเนินการปฏิบัติในทางพุทธศาสนามันเป็นการสมควรสำหรับเธอหากจะใช้ชีวิตพรมจรรย์เพื่อการปฏิบัติอันยิ่งขึ้นไป